เพื่อพาเข้ามาดูสุขุเืขาดอะไราอะไรแต่ไม่มีกุญแจใส่เข้าไปล็อกใส่กุญแจในตัวหรือมาแวาไม่ได้จะเสียเวลาต้องกลับงามาอยู่นี่พอดีอยากจะขึ้นมาที่ราวองที่สุขุเลยเลยหายขึ้ที่รู้ว่า อาจารย์บอกให้เขาไปเดินในป่าในในต้อคอขยับขั้นตอนไคือตอนนันเราเราตัวเราก็อยู่ในในที่ในระก่อนทีนี้เขาบอกเขาเริ่มไม่ค่อยตัวแล้วก็เลยบอกว่าเขต้องขัวไม่ตัวแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะความตัวนี่มันเป็นเหมือนหนองหนองที่มันอยู่ในในเรา เราต้องบีบมันออกเมื่อมันมันมันไหลออกมาได้ระดับหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือเราก็ต้องบีบมันแรงมันเป็นยาออกมาได้แค่เราตอนเราครัวถึงแม้อยู่ในสติแล้วยังครัวเลยแต่พอมาอยู่สัพยะหนึ่งแล้วเราก็ชินกับมันทางตัวก็หายไประหอ่างนี้ก็ต้องออกมาข้างนอกบางตัวลออกมาเดินในเมื่อสติบ้าง แล้วว่าหรือหาบุติที่มันลึกเข้าไปในาทางคือเรียกุกติีันนี้มันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็ก็ก็บอกเขาก็ไปเดินเที่ยวดูเมื่อคขำมาหน้าเขาใหญ่เขาแต่เข้าไปก็ไปห็มีตุ่ยตุ่ยตุ่อ้างในอ่าอคดีตรงนั้นไม่่ยมีใคทใช่เท่าไหร่เพราะมันมีตุ่ยทางเดินทางเดินทางเดินที่ผ่านเดินผ่านไปผ่านมอะไรไม่ค่อย ไม่ได้าดเท่าไหร่นาดคที่ต้องการแบบขนาดขนาดตัวเองเนี่ยเยอะขอข้รางัทีมอะไรเป็นต้นอครับเานใบต่อหน้าเนมีครับก็เดี๋ยวเราคุยกันยาวเดี๋ยวเขาเดี๋ยรา ดีดีดีนะดีดีนะแต่เขาไม่ได้แจกนะแตเราเห็นขึ้นมาจังหวัดพร้อมหรอเล่าครับเนี่ยพร้อมเลยแหละจังหวัดเรียนร้าเสร็จแล้วถ้าอยากะอยู่ไปก็ได้นพอรพนาอะรก็พลนาไปยอเรื่อยๆไปเรื่อย ข้าังครับปฏิวัติื่อสิบหมิถาึงันเราบพาั่าน่ปาอาเป็นทร่ทใช่มครับตั้งใจว่าจะมาพูดบหล่อเหมือนกันวันนี้ไม่เป็นไรญาตาโยมเยอะเยอโอกาสมาฟังครับกครับ ีนีเป็นอันนี้เป็นรูนนปถ่ายเหรูปถ่ายอันนี้ต้องมีรูปถ่ายอันนี้ต้มี่านแหละอันนี้จะรูปถ่าย อันนี้เป็นซีดที่ท่านสมทนาแบอิมัมที่มหาทงตาแหละครับอที่ได้าใช่ไหได้แังไ่ได้ใ้ดอ่่อ่าอันนี้ที่ฝากให้คุณคุณแม่เข้าไปให้ด้วยอันนี้ของวันที่29อันนี้ที่ผ่านทำไมตอนหลังไม่ไม่รวมไม่ของเก่าด้วยอะรล่ะรวมแต่วพี่ปุ่ ตาเป็นกันกันตาใหญ่เป็นย่เกันกันค่ะมเป็นรูดแนทด้วยงเลยอพราว่าไหนหชั้นมั้งครับไหนจะจะจ่มันต้องีมันมันมีที่ว่าของไลของเต่าไปเรื่อนคนที่เขาไม่ได้ตาาจจะเป็นามก็ตา้ก็าาแผ่นตาแปไม่ไตไอ่านเอคือ เห็นว่าตั้งแตีที่แล้วตั้งแต่มิถุนาเค่ะตั้งแไม่ได้เห็นก็อาอยาที่นี่ตัเต่าเพรามันมันไม่เสียหายอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแล้วแต่มันก็ไม่ได้สีนาอะไรเลยได้หยอนใี่กทั้งหมดเลยวมหม็นแต่แรกที่จะส่งมา แต่เป็นไเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มแผนแล้วเราค่้ยมาทํอีีก็แล้วพี่ทำงานต้องรอัดการคืออยาจะพิมชัดึงเรื่องเป็นรวมคำถามความตอบคำถามอะไรดีละทักหลังเพราะหลายคนที่เรียกการคำตอแล้วแล้วพิเศษว่ามันก็เหมือนกันใช่ไหว่ามัน กันกิมแต่ว่าเดี๋ยวิม้นตาคามต้องการั่นแหลแต่ว่ายังไม่ไไไที่หลังก่อนก็ได้บนะางทีมันก็ต้องสั่งเทพไปด้วยแล้วก็มีคำางานต่อไปด้วยเมัอนก็อาจะมีมีมีอะไรผ ส, สมสสาษานลงไปคำางาต่อ น, นี่ก็อาจจะไว้ไว้ที่หลังก็ได้นะแต่ว่า ตอนนี้มันก็แต่ละเล่มมันก็มีทั้งคําถามอยู่ในตัวมันเองแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นที่นะอเดี๋ยวมันจะเพอ่แล้วก็มันจะนั่งนี้ก็มีเรื่องนั้นก็มีอย่างนี้มันแบบว่ามันมันกระจัดประจายให้เลยเลก็อ่านอ่านได้ก็ได้อ่านทั้งเท่และอ่านทั้งคําถามไปด้วย แต่จะทําะรนี่ก็ไม่ได้ขัดนะแต่ว่าเห็นว่ามันยังยังไม่จาเป็นนะหรือว่ามีคนก็อยากจะอ่านบคํามคำศัพท์ภาษาเพราะบางทีมันมันมันมีประเด็นให้เขาได้ได้ค nell, ankles, ิดติดเลยเวลอ่านชื่อป like an ระเท้นๆมันอาจจะอาจจะใจเยินเยินที claro. ่เขเข้าใจเวาานใจจากควาสนใจของเขาก็ได้เขาก็เลยอาจจะไม่อยากจะ ก็เยอะด้วยก็ตามสะดวกกันะไม่ได้ห้ามอะไร ถ้าเาไปเรื่องอื่นแล้วเราก็ภาชุดโพไปอย่างเดียวก็้หรือ ว, ว่าบางทีเราสวดไปจนพรรมันรู้สึกว่ามันอยากจะหยุดเสือเราก็อาจจะดูลมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องสืออะไรดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกเราสังเกตรูว่ามันเกิากเรื่องอะไรบงเพราะการเสือ่นี่มันเหมือนกับเป็นการสว้งกระแสของความคิดของเราต้านมันสร้างกระแสของความคิด ธรรมดาถ้าเราไม่มีอะไรมาต้านเราจะนั่งคิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาสังขารมามาสวดมนต์แทนสวดไปได้เรื่อย เ, เดี๋ยวสังขารมันก็เหนื่อยเพราะมันเหนื่อยมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพราะฉะนั้นการสวนมนนี้ก็อาจจะมาได้รับประโยชน์ในในระยะสุดแรกๆการใช้การ น, นั่งท่องเทวดามหาศรีสถานสูตรได้ ใต้องประมาณ40ปีถ้าไม่ทำได้แต่ไม่ได้แบบว่านั่งไหว้งมือเลยนะแก็นั่งภาวนานั่งแบบมานั่งัดสมาแล้วก็หลักตาแล้วก็ขวดใจทางใจเหมือนแทนที่จะใช้พุทโพุทโธเราก็ใช้ใช้ท่สูงนีเป็นนองคร ตรงนี้ก็ได้มันจะได้เสือกไม่ว่ามันตั้งทางตั้งอะไรก็ได้มันจะยิงเพิ่มขึ้นไปอันนี้มตันตรงนี้ก็ได้ เราเสียงดังขึ้นหน่อยนะดังขึ้นจากเห็นแต่ว่าเวลาสวดนี้ต้องมีสติคือไม่ใช่ส่วนแล้วก็ยังปล่อยให้ไปคิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ได้อยู่พยาาให้มันอยู่กับสบทสวดมั่นเลยถ้าส่วดไปแล้วรู้สึกว่ามันยังคิดได้กล็ลองสวดให้มันเร็วขึ้นหลังเราจะสวดบทไอติโฉนี้ก็สวดได้ ปฏิปิโสภะวะระหังสมัมมาสัมพุทโธจบไปสวดสีรส่รอบก็ได้เราวไม่ต้องไปนับมันไม่ต้องไปนับว่าสี่รอบพจบรอบนี้แล้วเราก็เริ่มต้องสวดส่วนใหม่คือบางคนนี่เบื่อรู้สึกว่าถ้าให้ให้บริกรรมพุทโธทุทโธคำเดียวรู้สึกว่ามันมันไม่ชอบแต่ถ้าให้ส่วดมรรคก็จะสวดได้ก็ใช้บทส่วดมรรคเป็นตัวช่วยไปก่อนได้ ที่หมายถึงกรณีที่ที่นั่งแล้วเรากำหนดพุทธูไม่ได้หรือว่ากาหนดลมหายใจเข้าออกไม่ได้ครัมันทอนเลยมันีเซ็กเข้ามาใช่ไหมหหนะขนไหมก็นด้ก็ได้ทีนก็ได้เพราว่าันธี้มันได้ไป แล้วแต่ละคนก็ต้องต้องสังเกตดูว่าจุดของตัวเองเป็นแบบไหนเหมาะกับวัรอย่า ง, งไรนอกจา่ละครั้งที่เรานั่งภาวนานี้บางทีจิตของเราอาจจะสงบง่ายก็ได้บางทีก็สงบยากมันขึ้นอยู่กับถึงแวดล้าระที่ผ่านมาตอนที่เราจะมาภาวนาวันนั้นก็ดูเรื่องราวมากจิตใจเราวุ่นวายว ม, ามา จอดติอยู่ ก, กัเรื่องราวเวลามานั่งภาวนานี้ยันจะไม่ปล่อยง่ายๆมันยังจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆบางทีสวนมนก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีต้องใช้ปัญญาเข้าไปแจะมันออกมาพิจารณาถึงเรื่องราวที่เราเคยังกังวลก็ได้หลับใจแล้วนี่แนะหละข้อไปพิจารณาว่าเร้่มีอะไรที่ร่างานว เรื่องอะไรไมันสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลามันต้องผ่านไปไ ม, เไม่เขาไม่เขาไม่ผ่านเขาไม่จากเราไปต่อเราก็จัขาไปต่อเรื่องมันก็จบเอย่างนั้นแต่เมื่มีปัญหาเรื่องสมบัติไปขู่วว่าพี่น้องไปแย่งสมบัติกันมันก็โดนทำอะไรได้แเราก็คิดว่าสมบัติไม่ค้าก็เน็วมันก็ต้องแบ่งมันได้านเลยจะ แ, แบ่งด้งด้วยวิธีใดวิธีห จะถูกใจนั่นไม่ถูการนั้นได้เงื่อแล้วเมื่อได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้หมดหรือถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราตายไปเรามันก็เป็นของคนหนึ่งไปคิดไปในทางที่ว่ามันจะต้องจบอย่างใดอย่างหนิดเห็นดีแล้วมันก็มันก็ยอมดได้ก็อ่ะแล้วตอนนี้เราก็ทําอะไรมันไม่ได้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็าไปทำอะไรไม่ได้คิดไปก็เสียเวลาเปละะ่าเปล่าคิวายใจเปล่าเปะ ยอมรับความจริงเียบ้างว่ามันจะเหนี่ยวับดึงับปั่นก็วบบ่ากันถ้ามันจะเป็ น, ปนสมบัติของเราเดี๋ยวมันก็มาหาเราอยูถ้ามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราไปทํำยังไงแคบเป็นแค่ตายมันก็ไม่มาหาเราอยู่ียแบบนี้แล้วนะมันก็อาจจะตัดได้าตรงวางได้าย่อม จะถนอมตัวเองได้งันเรื่องราวต่างๆมันอยู่ที่เราไปไปมีความกดดคนขนาดนีน้ถ้าเราชอบเรารักสิ่งไหนเราต้องการสิ่งไหนมากๆสิ่งนั้นมันจะติดใจลองมากพอรู้สึกว่าจะได้ถ้ามีโอกาสก็ได้ มันยิง่งมันยิง่งเตส้นส่างถ้าถ้าสูงไหนเรารู้ว่ายัางไงยังไงเราก็ไม่ได้มันมันกลายสุดเอื้อมเรา่านี้เราก็จะไม่ไปกังวลกันนะเราไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะมันใกล้สุดเอื้อมเราไม่ฝันถึงมันไม่เคยคิดเลยนแต่ถ้าแ ต, แต่ถ้าเราเป็นรองผู้ว่านี่ไม่แนะ่อาจก็ม <c oughs> ันใกล้แล้วมันใกล้ นั่นนที่แต่ถ้าเราวอกว่าจะเป็นผู้พานแล้วเป็นมันก็มีภาระของมันอายุของราหกปีเขาก็ปวดเราเมื่อเร า, าทำงานไม่สุกใจเขาเขาก็ปวดเราอยู่ดีเราไม่เป็นที่เข้ามาปวดเราไม่ได้เราเราไม่เป็นเบี้ยร่างของเขาแต่พอเขาตั้งเราแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเบี้ยร่างของเขาเราจะปวดเราเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นเรากลับจะทรมานี่กว่าที่ทรมานีจากความที่เราไม่ได้เป็นที่ ดังนั้นถ้าถ้าอยากจะได้อะไรที่ต้องเกิดจากการให้ของผู้อื่นหรือการแต่งตั้งของผู้อื่นแล้วอยา ก, กัวอยากดีกว่าเพ<ม>ราะเขาตั้งเราได้เขาก็สอนเราได้เราใเราได้เขาทำเราได้เอาสิ่งที่เราให้กับตัวเราเองได้ดีกว่าแล้วไม่มีใครสามารถยื้อแย่งจากเราไปได้อันนี้เราไม่มีกันเราไม่ค่องสนใจกันอันนี้คือธรรมะในใจเรานี่แหละ ที่เกว่าอารยาิยทรัได้นี้แล้วไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้เพราะมันเป็นเงาตามตัวเรามีใครสามารถข่ามเงาจากเราไปได้ไม่ได้ทังใดทรัพภายในทรัพที่เกิดจากการทำวามดีทรัพที่เกิดจากการล่าเ่้นการกระทำบาป ท, ทรักย์ที่เกิดจากการชำระจิตใจกำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใ้นี้เป็นทรัพย์อันเสริฐเป็นทรัพย์ทีาา่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้มาครอบครองเราจึงเรียกว่าเป็นอรยิยทรัพย์เป็นทรัพย์ของพาอาระอริยพวกเราก็มีสิทธิ์พาาระอริยพระอริยก่อนที่ท่านจะเป็นพระอริยท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านจะยเป็นผู้ที่มีความโลกความโวงธความโหยยังมีทางอยากในสิ่งต่างๆเดี๋ยว หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาด้านนำทางมันก็เ่ิดนี้มาเผยแผงแล้วท่านหลังนั้นได้ยินได้ฟังท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาท่านก็ได้นาถังนี้ขึ้นมาภายนจิตใจของการทำอย่ า, นน า, า, าง น, านั้นเวลาเราอยากจะได้อะไรที่เป็นของภายนอกใจเราพยายามหรือว่าเราทำ ไ, ได้เป็นสิที่เราควรที่จะป่าภาระถ้าเรามีสติแล้วมีปัญญาคอยเตือนเแล้วเชื่อได้ว่าเรื่องราวที่จะสร้างความวุ่นวายกใจเรื่องราวที่จะมาทําลายความสงบในจิตใจของเราเนี่ยมันจะน้ อ, นอยลงไปแล้วเวลาเราทำสิตเข้าสงบเนี้ยมันจะน้าเรายัางยืนดูตามลาบยกกระดกเก็บอยู แล้วเวลามีอะไรที่จะมากระทบกับสิงเห่านั้นทําให้เราต้องเสียเสียงในใจหรือทำให้มาทำให้เราไม่ได้จิ่เหล่านั้นมาจิตใจของเราก็จะนุ่นวายถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาจะมีการทำจิตใจให้สงบก็จะทำเวลาเราสิดว่ามันมันม่งมันยังคิดยังต้องนอนอยู่กับสิ่งต่างๆอย่างนั้น ตัจะไม่ได้มากตัวจะเสียมากอะไรานเพราะฉะนั้นหลายคนก็ทำพรของไม่ถูกต้องซะก่อนว่ารับที่แพ้จริงนั้นต้องถูกทักทายเนคนฉลาดเพรานั้นถึงยอมสมัยหาทักทยเงิคนโง่เพราะนั้นที่จะสมัหาทักทายเงนหาแล้วก็หาว่าไนก็ไม่รู้จักตอแล้วก็ไม่รู้จักดี น้งก็ไม่ได้มีความสุขไมมีคามมีเงินเป็นแสน้านก็ทำอยางใจก็ยังตัดเศคกระจายอย่างอยากยังต้องโลภยังโผงยังอะไรอะไอนอารรว่าอยู่กับสิ่งต่าตาใจที่ปลดวางทับทันกแล้วหรือทับทันไงก็เป็นใจที่เย็นที่สบาย มีกนรวิชาของชัดิทำอย่างไรใานี้ความไม่ทจิดของเราแข็งทำให้จิตของเราเป็นอ่ไรามีความอื่มมีความพอเกดขึ้นมาเมื่อมีความอิ่มความพอแล้วความอยากต่างๆก็สั่งซื้ไม่ได้เพราะมันจะ็นของตกทาง้านก่างหรือความเมื่อยความแก่ความสียวายมันจะจนขึ้นที่ความจัายไม่ได ถ้ามันมืดมันก็ไม่มีแสงสว่างถ้ามันสว่างมันก็ไม่มีความมืดอันดถ้ามีความทองมันก็ไม่มีความแกถ้ามันมีความอยากมันก็ไม่มีความพออยากได้เท่าไหร่มันก็อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้เื่อก็อยากจะได้จ่อได้จ่อก็อยากจะได้วาทันงแต่อย่างเนี้ยคนจึงรวยใจหาตัวผิวมีเงินเป็นหมื่นล้านสล้าน อ้ามันหย่คามอามอ ไ, มไม่มีเถ้าเป็นลกรถที่ม่ีลงเขาไม่มีไม่มีทางที่จะหยุได้ถจะหยุได้ก็ต่อเมื่อมันหาช่องแล้วมันก็ตกเหนแล้วเิด็าคนเราจะหยุความอยาได้ก็ต่อเมื่อตายไปทางไแต่ก็หยุดได้แต่เฉพาะภาพนี้ภานั้นเองไม่สามารถทาอะไร รื่องนี้ได้ต่อไปนาแต่ใจนั้นยังไม่อยู่เพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ใจความอยากมันอยู่ที่ใจความอยากนี้มันก็พาให้ไจเจิดมาไปเกิดมาแล้วก็เปอยากแล้วก็ไปเริ่มต้นเหมือนกับเราสร้างปราสาทกองทายไม่ทันทายันเลยตอนที่น้ไา ม, ม, ามันลงไป เราเอาทรายมาขุดแล้วก็มาต่อเป็นก้อตัอในรางาพอน้ำขึ้นมามันก็ลลายหายรัสมบัติทการที่เราสรสาในาติกสูญาพอเราตายทรัพหลังนี้มันก็หายไปหนด่เป็นสมบัติของเราีกต่อไ่การพจานา ที่จะทำให้เราสร้างความกังวลสร้างความลุ่งวายสำหับเรื่องารองาวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือตัวบุมคนก็เหมือนกั น, นคนก็มาจากวัตถุเหมือนกันร่างกายเรานี้มันก็เป็นวัถุกระดูกก็เป็นของแข็งเลือดที่อยู่ในร่างกายก็เป็นน้ำอากาศก็คือลมที่ห ลมที่ร้าใจใ้าวอ่ก็เป็นลมการร้อนก็คือสติปิยาทำเคมืที่มีอยู่ในร่างกายทำให้ฉ่มร้อนขึ้นแต่พอร่างกายมีนยุดไม่มีการทำงานออกไปแล้วสิปิยาทำเคมืก็หยุดไปการร้อนในร่างกายก็หายไร่างกายก็เย็นขสเวลาเราไปจับคนตาดยยู ร่างกายเาะจะไม่มีควาหมหรือ อ, อย่างไรร่างกายก็เป็ น, นัตถูเหมือนกันแต่เราเป็หหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นค น, นแล้วก็ไปกัวงวลไปห่วงจนกระทั่งกินไม่ได้นอะนไม่หละลืมไปว่าห่วงยังไงดูแลรักษาอย่าง่รให้ดีขนาดนั้นก็ตายวันหนึ่งมันก็ต้องหาไปจากกันท่ดี ถ้าเรามองอะไรเห็นจุดจบของมันแล้วเราก็ไม่ข้ออยายเท่าไรส่วนใหญเราน่าจะเห็นตัวสิ่เ่มต้นแต่เราไม่คิดถึงตอนจุดจบเวาเจอทางนี่โหวานฝันหวานเล้อยู่ร่วอยู่ร่มกันแล้วก็มีวามสุ้แต่ไม่เห็นตอนสุดจบคจะต้องมาร้องห่มล้อมห้าวเายัถ้าดูหนังก็ดูแบบตอนต้นได้ตอนจบไม่ดู พ อ, พอร่างกายไม่ดีแล้วก็ติดเหนเื่อยหรืองแบบก็เลยไม่เห็นความจริงแต่ถ้าจิตใจเรามีความเห็นเกี่ยวกับความจื่อออของชีวิตเป่นสุดของชีวิตอยู่เรื่อยแล้วถ้ามันอยู่น้าสดีกับความวที่ของเราแล้ ว, ค ว, ค, วความทิดของเราจะคิดปทางที่ถูกต้องเพื่อทมาที่ส จะปล่อยว่าอันใดสิ่งใดที่ไม่อยู่กับเราตลอดอันใดที่จะสร้างความคุ้นคุ้นกับเราอันใดที่เราไม่สามารถควบคุม บ, บังคับให้มันเป็นกางกล า, า, า, า, างมันต้อต่างกันได้ตลอดไปเราซึ่นตัวไม่ยินเสือกำลังดีกว่าแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าเราอยู่คนเดียวได้่า่มีอะไรก็ได้แค่ต ะ, ะ, ะเกียบข้าวอาหจะจะารกระราบ ทีบางรท่าหลายท่านทำประเด็เอย่างที่เราเห็นทุกวันทำไมเราไม่เอาท่านมาเป็นเรื่องเราปรจานไหว้ท่านแต่เราไม่มองท่านเลยเราไปสารลูกของท่านเราก็จะมองจากรูปของท่านรูปของท่านนั้นไม่ได้ไม่ได้มองบอกถึงความจปิของท่านน่กลรือเป่าความนสิรของท่านนั้นตริดจากการศึกของท่านการดนินชีวิตของท่านว่าท่านดชีวิตอย่างไร ท่านรู้หรอเพื่อเลี้องดหรือว่าท่านขระหยัดเมื่อคยนักเม่อวันสังเกที่เป็นสิ่งที่เราไม่มองกันต้องกายรู้ไม่สามารถถ่ายเก็บเราได้ต้องอาศัยต้องของปัญญาท่านั้นคือเราต้องนำลกถึงปฏิปทาอานิจนาของแต่เรารูว่าท่านบำเพ็ญชีวิตของท่านอย่างไร การกินการอยู่ของท่านท่านิายนอย่างท่านใช้ชีวิตยอย่างไรในแตต้องคิดแบบ น, นี้แล้วอย่างเอาการเงแบบนี้นองได้กับตัวเราเองจัดน้อยแต่หามากคือไม่สามารถเราไม่สา ม, มารถที่จะเริ่มต้นแบบทำได้เต็มที่แบบที่ท่านทำแต่อย่างน้อยหนุาตาร่นจะเคยพูดว่าต้อง แบบติดขึ้นตูวดขึ้นนิ้วตูแล้วน่าจะทำไม่ได้รอจะ็ก็อย่างว่าให้มันมีเชื้อของตูอองะหรือว่าเวลาจะอึ่งเกือจะใช้แก่อะไรที่มันซู่งเพราที่ไม่จาเป็ก็พยายามระงับตัดกันบ้างอยากล่อยให้กปนป า, านกางความอยากความอยากเลย เพราะมันไม่ได้เป็นทางที่จะพาเราไปาสูส่ความสงบมันจะพาเราไปาสู่ความมึนหวาดเวาเร า, เร า, เราทำอะไรไป ล, ลมันก็จะมีพลังที่จะให้เราอยากจะทำเพิ่น่อยเราเคยทำอะไรครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองมันจะมาขึ้นเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราถูอไม่ทำเสีย ครั้นต่อไปมันก็จะยากขึ้นการอยากจะทํามันจะเบาเลงแล้ะถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆแต่ต้องฝืนแบบใช้ปัญญาคือต้องเห็นด้วยเหตุด้วยผมว่าของฟุ้งเฟือยนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยได้มาแล้วก็ดีการไปชื่อชาวแั้นเองแล้วก็ไั่นได้มีอะไรที่ดีขึ้นแล้วประหยักได้หม่ เรามีเสื้อผ้าแล้วเกลือแล้วเป็นสู้อยู่แล้วไม่มีความเกินเกินที่ต้องซื้อเสื้อผ้าขึ้นใหม่เลย้การใส่ผ้าตู้ก็ยังเียังยงใช้ได้อยู่เสื้อผ้าที่เราดีแต่พอเราไปเดินตามร้างทางร้านต่างๆเห็นเขาเอาเสื้อผ้าขึ้นนั้นขึ้นนี้ออกมาแฉลชมโชวให้เราเห็นเราก็อยากได้แล้วไม่ใช่อยากได้สวยๆรีบซื้อเลย ไม่เคยยั้งคิดผ่านเจออย่างนี้แล้วเอาไปทำอะไแล้วก็ไม่นานใช่ไหมพออีกเดือนสองเดือนออกไปเดินข้างใหมก็มีชุดใหม่ออก ม, มารอใจเสื้อผ้ามันเป็นร้อนตู้ตู้ไม่พอเก็บเสื้อผ้ า, านี่คือสิ่งที่เราสามารถผ่านข้ามจิตใจได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเล ย, เลยที่จะลูกคื้อของอย่างนี้น ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าจะใ ส, ส่คนบางคนจิตใจต้อผ้าต้องหลักแน่นจริงๆถึงแม้เสื้อผ้าเก่าแล้วมันขาดเข า, ายังปะยังใช้มันต่อไปได้นั่นคือสิตใจของคนที่มีควางหนักไปทางธรรมะอีกส่วนจะเป็นอย่างนั้นผู้บาอาจารย์น่าดีดไม่เคยได้ยินที่วอนไหนท่านเล่นไพ่ไหน หว่ม า, น, า น, นมีทั้งปะทีวอนก็ะ้างหาหาพื้นของทีวรเก่าไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนก็มีแต่ผ้าปะอันนั้นเป็นถุงเป็นแต่ท่านมีความสุขกับการอยู่ด้กันท่านไม่ได้เอาชนะใเยท่าน่อวดความความวิเศษวิเศษว่าท่านใช้ข้ามันแต่ท่านชนะกลืท่านช ท, ท่านพอใจ ทานเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสิ่งคุ้มค่ากันค่าของเรายังไม่การขาดเลยเราไม่เข้ามาแล้วเราก็โยกทิ้นไปก็มีเยอะแยะทั้ทงที่เรายังเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่นี่คือตัวอย่างคือเราถ้าเราอยากจะอัฒนาความเห็นมิดของเราเราต้องเอา พฤติกรรมของครูอาจารย์มาเมาตัดใช้ตัดชีวิตของเราเราไม่มีจีวรแต่เรามีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเรามีความจําเป็นจะต้องมีเท่าไหร่เราก็ใช้ไปเท่านั้นก็พอเพื่อผ้าจะต้องใช้สําหรับไปทํางานใช้สำหรับอยู่บ้านใช้สําหรับอะไรก็ขึ้นแค่ไหน แต่ถ้าตัวไหนที่เราสามารถใช้ประโยชน์ควบคู่กันได้หลายอย่างเพื mm. ่อลองใช้มาดนเป็นตัวนี้ใส่ไปทํา ง, งานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้ใส่ระเทีวก็ได้อย่างนี้เราได้กําไรต้องสมต่อแทนที่จะต้องซื้อเสื้อสามตัวเราใช้ตัวเดียวสามารถใช้ได้ถึง3 3มาวันด้วยกันใช้ออกไปเที่ยวก็ได้ใช้อยู่บ้านก็ได้ใช้ใช้ไปทํา ง, งานก็ได้ นี่การใช้ตัญญาเนเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าต่อไปความชื่นเชื้อความซื่นเคยต่างๆมันจะลดน้อยถดถอยลงไปแล้วเราจะได้มาทําสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราหลักการสิเวลาหมดเวลากบบ น, นี้ไปหาเงินหาทองไปตียามาซื้อของชื่นเสื้อ แล้วได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสงบนิ่งเงียบทงสุขมีความพอเราก็บ่นว่าเราไม่มีเวลาพารงังงินกันเพราะเพราะว่าเราให้ความสําคัญต่อการหาเงินหาทองมากกว่าหาทราัพย์ทางเงนากเลยเราไม่เห็นคุณค่าของทรัพยทงเงินว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าทราัพย์างนอกเราจึงหมดเวลากับการไปหาทราัพย์างนอก หมดเวลากับการใช้เงินที่ได้มาเมื่อหมดแล้วก็ไปหาค น, นเวียนอยู่อย่างนี้มานานเป็นจะได้มีเวลามาหาทรัพภายในก็คือ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสกับผมเท่าไหร่เลยไม่เห็นคุณค่าของนันแต่ถ้าเราลองคิดกับการปรัดดูเอาเวลาที่เราใช้หาเงินหาทองนี้มาหาทรัคยายใน แล้วเอาเวลาที่เราหาทรัพย์ภายในนี้ไปหาทรัพย์ายใ น, นอู่นสลับฉากสับดูสลับการ ด, ดูแล้วเราจะได้เห็นผลที่เราได้รับจากการหาทรัพย์ภายในรับรองได้ว่าเมื่อได้สัมผักสกับทรัพย์ภายในแล้วเราจะเห็นคุณค่าของมันแล้วเราจะพยายามหาเวลา ให้มีมากยิ่งขึ้นไปสำหรับการหาซ้ำใหม่ก็จะเริ่มมีเวลามากขึ้นต่อให้เวลามากขึ้นกับการปฏิบัติต่อการบำเพ็ญงานการที่จำเป็นไมต้องทําก็ทํแค่ที่จเป็นเท่า น, นั้นเถ้ามีสมบัติมีทรัพย์อเพียงที่จะไม่ต้องอาศัยทรัพเวลาไม่ต้องหาซ้าไหม่มาเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะเราออกจากงานก็ได้ ให้เวล า, วากับามไปอยู่วันนานๆคือไปอยู่ที่วัดสอาิน้ำอทิเสียทิอยู่ันเ็เดือนอยู่มัมน ต, ตลอดเลยนะ่ไหมก็มีอยู่นะรไปวัดของคุณายกางแต่ละวัเราจะเห็นว่ามีอุบาสิกาอุบาสกมันท่านนคนก็อยู่วัดกันเป็นเวลาเันยามนะถ้าเป็นอุบาสิงใหญ่ก็จะอยู่กปนตัน ถ้าเป็นอุบาสิกาก็จะอยู่อยู่ที่วัดอุบาสิกาไปก็เป็นนักบวชเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นสภาพจิตนี้เราไม่มีการบวชแบบพุทธารเราจะต้องบวชแบบผี้หญิงก็อยู่เป็นอุบาสิกาแต่การปฏิบัติ ก, ก็ไม่แตกต่างกันเราก็ลังเพนสีนสมาธิปัญญาเหมือนกันมรกคผลนิพพานที่จะได้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไห น, น เพะนั้นเราต้องทำเช่น่านี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติคนเนี่ยนะครในในชีวิตประจวันเราเนี่ยเราตบจารย์มันยิ่งย่า่ก็คือต้างทำตัวเป็นสมร tha ที่อมที่กล้มเกลือยกสิยัสอลยสมองเนี่มันก็จะเพื่อนหนุนให้เราติดใจเรโน้มไปทาง ทำที่จะระวางได้มากขึ้นเหมือนกันใชไห้าตัวฟื้นเฟือยนี่นตัวจุดเอาเวลาของเราไปหมดเพราะเราฟื้นเฟือยนี่เราต้องตั้งาในการาพรเราก็ต้องหาเวลาไปใช้กับการฟื้นเฟือยเพราะบางทีบาทีเราซื้อของร้านเดิมๆคิดจนเดือ แ, แล้วเราก็ต้องบินไปเมืง น, น อ, อกก่อน เป็นตัดก็เินใกล้ๆไปแค่แถวฮ่องกงแถวญี่ปุ่นต่อไปก็บินไปยุโรปเป็นไปอเมริกามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามัยิ่งมีมันมีทางมากเท่าไหร่มันก็มันก็จะเป็นอย่้ดนโดนโดนหลายคนเลยที่จริงซึ่งท่าใส่ไม่กี่ชุดคุณก็พอแล้วแล้วการให้เป็นงูชีเพรเจ้าตอนไม่อาไปสังคมเวลาเราจะใช้ปัจจัยตันี้นสอนจะให้พิจารณาพิารณา เป็นเวลาจะหอมเสื้อผ้าใช้จีวรจะให้จีหาว่าหอมเพื่อปกปิดร่างกายป ก, กปิดอวัยวะป้องกันความหนาวความเย็นไม่ให้มาทําให้ร่างกายรายเก็บได้ได้เก็บไม่ได้หอมเพื่อให้ความสวยงามจากเสื้อผ้าผ่อนคนงาสวยงามที่แท้จริงต้องสวยด้วยใจสวยด้วยศีลธรรมสวยด้วยความเมตตาปัญญาไม่ได้สวยด้วย เสื้อผ้าอาภรเสื้อผ้าอาพรแลก็เป็นเสื้อผ้าอย่าั้นช่วปกปิดร่างกายเวรา่ันอาหารก็ให้ฉันเสื่อนะครับแบบทานยาไอ้ความความผิวของร่างกายรับประทานอาหารนั้กับรับประทานย า, ยาเหยียยารักษาโรคของความผิวในรับรับประทานเพื่อรับชาเพื่อความสนุกสนานให้หา เวลาเวลาจะกินข้าวคนเดียวกินไม่ได้เขาต้องโทรศัพท์ชวนเพื่อนเอกไปกินกันตามร้านแล้วไม่ได้กินเฉยๆต้องเดือดของมุนเลาประกอบไปด้วยเรื่งนี้มันไม่จําเป็นมันเป็นการสูญเสียรทรัพยากรที่หามาด้วยความยากลำบากสูญเสียไปร่ำเวลาไม่ได้ผลอะไรเลยการสุดก็เป็นการสุดแบบควันไฟ ที่มันลอยแล้วก็กระจายหายไปในอากาศสุดในขณะที่เรารับประทานกันทั้งเป็นถ้าแยกกันกลับบ้านแล้วก็หายไปหมดแล้วจึงไหมแต่ความล่างว้างทางว่างกล่าวเกลื่อเดียวดาย <c oughs> จรงไหมแต่ความอย่างที่จะต้องโทรศัพทชวนกันไปหาความเฉดดับนั้นเนี่ยช่างสุกของเรามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิต นี่คือวิธีทางของคนในโลกเขาหาความสุขหลานกันแต่เขาจะไม่เคยเจอความอินความพอในจิตใจของเขาเลยความสิทธิ์ความอินความพอมันเกิดขึ้นได้เมือ่อเร า, านอากับความอยากต่างๆได้และจะเป็นชือกขณะนึงก็เรียกว่ามันก็เป็ น, นได้ เช่นวันนี้อยากจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนสีงอยากจะไปดูหนังตัดสิสนใจไม่ไปวันนี้จะเขาอยู่บ้านไหว้พระเฉลิมฉลองทำสมาธิแล้วทำอย่างจรินจังๆี้ไม่ดีมันก็อาจจะสนุกได้เราจะได้กําไรกว่าการออกไปเราได้ซับภายในแล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งพันแล้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะสะผลมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไม่มีใคร เอาจากเราไปได้แล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ความอิ่มความพอความสุขก็ยิ่งมีมากขึ้นแตเรื่อยๆจนต่อไปนี้จะไม่อยากจะโทรรศัพท์ไปหาใครและไม่อยากจะให้ใครโทรมาหาด้วยจะปิดเครื่องตลอดเวลาจะนี้จะใช้มันก็ต่อเมื่อเรามีธุระจําเป็นครับชางจำใจเลยเพราะเรามีความส่งเรอยบร้อความหยุดต า, ามลำพังของเราแล้วพอไปอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้จะเริ่มเริ่มลำพังแล แล้วคนนั้นก็บ่นเรื่องนั้นให้ฟังคนนี้นก็บ่นเรื่องนี้นให้ฟังมีแต่ปัญหามาระบายกันเั้านั้นไม่มีอะไร เ, ลไลเวลาเจอกันทีนี้แล้วทุกคนได้ระบายแล้วทุกคนก็สบายใจแต่ไม่มีใครฟังปัญหาของใครใหรอกสบายเขาระบายไปเท่านั้นเลยเราก็ระบายของเขาเราของเราเขาก็ระบายของเขาไปแต่มัไม่ใช่เป็นวิธีที่ระบายที่ถูกต้อง ถ้าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาให้ระบังนอยู่เรื่อยๆเพราะเราไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส่ใจเราแทนที่เราจะปะลดเครื่องปล่อยวางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเรากลับไปเอามันเข้ามาแบกในใจในใจของเราเพราะฉะนั้นไปทางครูราอาจ า, นนยารย์เนี่ยถูกแล้วไปทางพระพุทธ้านี่ถูกแล้ว ถ้ายังมีปัญหาอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราต้องมีในเบื้องต้นก็คือศรัทธาขอให้เชื่ อ, อพระพุทธเจ้าเชื่อภูบาอาจาแล้วพยายามทำในสิ่งที่ท่านสอนให้เราทำเพราะถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่มีอาวุธที่จะเข้าไปทําลายอะไรกันโลกที่กิเลสมันสร้างข้อมน้องจิตใจของเราไว้กิเลยนี้มันไม่ต้องการให้ธรรมะเข้าไปในใจ เพราะถ้าธรรมะเข้าไปในใจแล้วมันจะถูกทำาะดังนั้นมันจะสร้างป้องากาันสร้างกำแพงไว้ป้องกันไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจเราได้สังเกต ด, ดูเวลาเราจะปฏิบัติทีนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับจะต้องปีนเขามันจะสร้างความรู้สึกยากลำบากเวลาจะทาบุญทำทานเวลาจะรักษาศีลนี้รู้สึกว่ามันยากลำบาก ถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราจะไปเที่ยวนี่มันต่างกันมากมีเงินก้อนอย่างนี้ถ้าให้เลือกระหว่างไปเที่ยวกับไปทําบุญนี่ไปเที่ยวนี่มันมันเหมือนกับเดินลงเขาเลแต่เวลาเอาเงินนี้ไปทําบุญนี่เหมือนกับเดินขึ้นอันนี้หางคนที่ยังไม่เคยทําบุญมา ก, ก่อนแต่ถ้าคนที่เขาทำ บ, บุญเคยติดเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นกอ ง, งขันข้ามค่ะ ถ้าจะให้เขาเอาเงินไป ใ, ใช้เป็นฟู่มเฟือยไปเที่ยวเขากับรู้สึกว่าเสียดายแต่ถ้าเขาเอาไปทําบุญแล้วเขารู้สึกว่ามีความมีแสดงว่าเขาได้ฝ่ากําแพงของกิเลสไปได้ขั้นหนึ่งได้คืออความเสน่ห์คาอยากจะใช้เงินไปกับสิ่งของฟูง่มเฟือยความอยากจะใช้เงินไปกับการซื้อความสุขต่างๆในโลกมันจะถูกทําลายก็อาศัยศรัทธานในรุ่งต้น เชื่อว่าการทํางินนี้เป็นสิ่งที่ดีการรัาปรานนี้เป็นประโยชน์กับเราจริงๆแในเบื้องต้นก็ทำใบดับฝืนเหมือนเหมือนกับคนที่กินยากินยาขม อ, อย่างนี้หมอก็าบอกยาขมนี้กินแล้วมีประโยชน์จะทําให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นแต่เราไม่ชอบรับประทานแต่เราเชื่อหมอเราก็พยายามฝืนรับประทานมัน เช่นพวกมะละอะไรนี้ยกตัวอย่างธ ร, รรมดาเด็กๆจะไม่ชอบกินมะละแนาดเพราะมันขมแต่ผู้ใหญ่นี้เมื่อมีโครคภัยกล้เจ็บเดือนเดือนแล้วได้รับการงานะนำให้กินของพวกนี้ก็เชื่อหมอก็พยายามฝืนกินไปเรื่อยๆจนติดกันนิสัยขึ้นามานชอบของขมกัน การใดการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาก็เช่นเดียวกันเราต้องมีศรัทธาเป็นตัวเป็นหอดเป็นหัวหอดคอยทะลุทะลวงเราะที่ติเรนมันสร้างขวางไว้ไม่ให้เข้าสู่ใจของเราพยายามทำไปถึงแม้จะไม่ชอบทำก็ทกันถึงทำไปทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเห็นผลพอเราเห็นผลแล้ว เราจะมีกําลังจิตมีกําลังใจงพอเห็นผลแล้วทีนี้ศรัทธาก็หมดหน้าที่ไปเพราะมันเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นว่าเออทำบุญทำทางนี่มันดีจริงๆมันเกิดประโยชน์กับใจของเราจริงๆเราต้องขอบใจคนที่เขามาให้เราทําบุญทางทางให้เพียรนี้ซ้ำไปเราไม่มีคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ทําบุญทำทา ง, ทาง ความจริคนที่เขาเดือดร้อนนี้เขาก็มีประโยชน์ครับล่ะสําหรับเราเขาเป็นเหตุทําให้เราได้มีโอกาสได้ทดําุญทำทานเนี่ยลองทำเถอะถ้าเราทําแล้วเราเห็นผลแล้วต่อไปเราจะถึงวิสัยการทาบุญแล้วเรื่องการใา้จ่ายเส้นอมเพยต่างๆนี้มันจะหมดไปเองสังเกตดูแต่คนที่เขาชอบทำบุญทาทานมักจะเป็นคนที่อยู่แบบเครียบงา่าย ทํเเวลาทำบุญทำทานนี่ทำเยอะเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็เป็นเสื้อผ้าธรรมดาไม่หรูหราไม่ไม่อะไรฉหาดเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถ้าถ้าถึงขั้นสูงสุดก็แบบคุูบากาจารท่านทำบุญทำทานขนาดไหนถึงที่ท่านได้มาทั้งหมดท่านไม่ได้เก็บได้เลยน่าจะุึเดือยอันนาเบรมเดือยจะลกทุ่ม เพราะว่าท่านเห็นประโยชน์ท่านทําถึงแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากการทำทานเวลาศตาเพราะจิตของท่านนั้นมันเต็มเวลาคือถ้าเป็นน้ําในแก้วมันก็ล้นมันก็เต็มอยู่แล้วจะเทน้ําเข้าไปเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ได้ทําให้มีน้ํามากขึ้นไปกว่านั้นคือความสุขความอินใจของท่านนี้นมันเต็มจิตอยู่แล้วแต่ที่ท่านทำก็เพราะว่า หก็ทําเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีกําลังจิตกำลังใจ 2. ก็เป็นการสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนสมมติว่าถ้าท่านไม่ทำํำท่านอยู่เฉยๆท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ญาตยโยมก็จะไม่มีโอกาสาได้ทำดีทำทานแล้วคนที่ก็าเดือดร้อนเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการทำดีทาทานของญาติโยมแต่คนที่เหนื่อยก็คือท่านจะหนัก อ, องค์ท่านจะหนักที่จะต้องเหนื่อย คาจงท่านอยู่เฉยๆท่านก็สบายอยู่นะนี่คือการเสียสละของพระพระจริงๆท่านทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นจริงๆตัวท่านเองท่านประโยชน์ของท่านท่านได้เต็มที่แล้วอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่เราจำเลิกถึงในวังวิสาขาบูชาวันเพ็ญเดือนหกวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากนั้นแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรก็แล้วพระพุทธเจ้า นั่งกินนอนกินก็ก็ไม่เบื่อนอนอะไรแต่ยังต้องสละเวลาถึง49คัิบ้าษาด้วยกันทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกทำให้คนได้หลุดค้นจากความทุกข์นี้นับเป็นจำนวนไม่ควนจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เป็นผู้ที่ได้รับบารมีศูนจากการตัดสินและนำเอาสิ่งที่ท่านรู้มาเผยแพ่ให้ให้กับสัตว์โลกถ้าไม่มีท่านพวกเราทุกวันนี้จะเป็นอย่างไร เราอาจจะหลงงอยู่กับการไปช้อปปิ้งอยู่แถวสยามพารากอนก็ได้แทนที่จะมานั่งอยู่ในป่าในเขาแบบนี้ตอนนี้อาจจะไปเข้าไปดูหนังโรงหนังโรงไหนก็ได้หรือจะไปตามชายแดงที่เขาไปเล่นการกระนันก็ได้ท่านก็เป็นพวกที่หูหนวกตาบวชพูดง่ายๆพวกที่ไปสยามพารากอนพวกที่เข้าโรงหนัง พว ท, ที่ไปบ่อน่านเนี้ยเป็นพื่อหูหรวกตาบ่นพวกเราเนี่ยเป็นพวกพวกเรามีหรือแม้จะตาตาไม่ไม่ดีแทนที่หูไม่ดีแทนที่แต่อย่างน้อยก็ยังพอจะได้ยินยังพอจะเห็นอะไรลางๆอยู่ยังพยายามตะกี้ตะการมาอยู่ฝนตกแดดออกยังไงก็ยังทำสัง ม, ม, มาอยู่มีแสดงว่าพวกเราก็ มีบุญมีกุศลเราได้สะสมบุญกุศลทั้งในอดีตและในปัจจุบันบุญกุศลนี้จะได้มากไม่ใช่เกิดจากอดีตจะเกิดจากปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสสะสมได้ตเต็มที่เลย แ, แม้ว่าในอดีตเราอาจจะสะสมมาได้เพง10เี่สิบเนที่เหลือดรนี้เราสามารถสะสมได้ในชาตินี้ถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้า พระเจ้าทรงทานายไว้แล้วทรงพยากรณ์ให้แล้วเลยว่าทายปฏิบัติทำสมควรจากทธรรมตามที่สถาคนได้แสดงไว้อย่างช้าไม่เกินเจ็ดปีถ้าเร็วพวกที่ฉลาดกิเลสเบาเนี่ก็เจ็ดวันก็สามารถที่จะเสร็จงานที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราทำได้อย่าไปคิดว่าต้องสะสมเป็นกลับเป็นกนารเหมือนกับพระพุทธเจ้า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 แต่เรามีคนนำทางมีพระพุทธเจ้านำทางมีภูบาอาจารย์นำทางอยู่แล้วเราทำไมไม่เดินตามทางท่านถ้าเดินตามทางนี้ไม่กี่วันก็พ้นจากป่าจากเขาไปสู่ที่ปลอดภัยไปสู่ที่กเกษมไปสู่ที่ไม่มีวามทุกข์ไม่มีภัยต่างๆมีแต่ควาสุขไปตลอดนานประการโอกาสนี้ไม่ใช่เป็นโอกาสที่จะหาได้ง่ายๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเจอธรรมะเคจอฌานสมาธิเจอพระพุทธเจ้าไม่มีนะโอกาสน้าจะไม่มีอย่างนี้ถ้าต้องการถูกัตตอรี่ก็ถูกลังวนที่ไหนดังน้นเราเรียบเอาไปขึ้นงเงินเสียอย่าเอากระดานนั้นไปเผาทิ้งเราถูกกตเตอรี่กันแล้วซึ่งแต่เราเดินไปที่ไปขึ้นเงินท่านนั้นยังขี้เกียจเดินไปเอาเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร วิธีที่จะเดินไปก็คือทานสีลภาวนาพยายามทําไปทานเราก็ทําไปตามฐานะของเราอย่าไปหาเงินมาเพื่อทำทานอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำทานการทำทานก็คือทําในส่วนที่เรามีเหลืออยู่หรือสละในส่วนที่เราจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นเช่นวันนี้จะไปซื้อเสื้อชุดใหม่ชุดนึงก็อเอาเงินที่จะซื้อชุดใหม่ที่มาทําทาน อางเงินนี้ไปกินอาหารกับเคพื่อนถูงไปชทีวฉลองกันก็เอามาทําทานเสียอดข้าวเย็นสักมือหนึ่งแทนหรือสินแตกอย่างนี้จะได้ประโยชน์ใจ ก, ก็ได้ประโยชน์เงินที่เราไปทําบุญก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นนี่คือความหมายของการทําทา น, ททานไม่ได้ให้ไปทํามาหากินหาเงินมาเยอะๆเพื่อมาทําทานอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะ ทำอย่างอื่นได้เพราะนอกจากทานแล้วมันยังต้องมีสีลที่จะต้องรักษาและจะต้องมีงานภาวนางานภาวนานี้จะต้องใช้เวลามากถ้าเราทุ่นเทได้มากเท่าไรผลก็จะออกมาเลยถ้าเราใช้เวลาให้สั้นน้อยผลก็จะออกมาถ้าออกบวชได้แล้วรับรองได้ว่าชาตนี้มีสึกมีสึกถ้าเราถ้าเราสามารถตัดสินใจ ออกบวชได้แล้วคล้ายๆว่าจัดการทุกสิ่งทุงอย่างให้มันเรียบร้อยได้คือไม่ได้ออกบวชแบบแบบมีปัญหาตามมาคือภาระหน้าที่อะไรที่เรายังมีอยู่เราต้องจัดการกมันให้มันหมดสิ้นไปแล้วเราจะได้ไปแบบไม่มีอะไรมาข้างๆในจิตในใจของเรา ถ้าตายจากงานแล้รับนองได้ว่าไม่ยากไม่กันแต่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนกระทังงง่งเวลาหลับเลยในเบื้องต้นก็กําหนดดูมีสติอยู่กับโจอยู่เสมอ น, นี่คือเป็นการปฏิบัติแน่ๆน้องพยายามระงับอยากความคิดรุนต่างๆอยากไปคิดเรื่องใน่ดี่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆของใครของคนนั้นคนนี้อยากไปสนใจ สวนมนต์ไปไฟ้าในการก็ได้ในทั้งอิริยาบถทั้งสี่ทำมาลายเราก็มีอิทธิพิสโสางอรหังสมมาอยู่ในการทำมาลายอย่างบางท่านก็มีพุโทโธคําเดี่ยวก็ได้ท่านเจริญพุโทโธอยู่ในอิริยาบถสีตลอดเวลามันเป็นการกําจัดความคิดต่างๆให้มันเบาบางลงไปแล้วเมื่อเวลาเรานั่งทําสมาธิทําให้จิตสงบมันจะสงบง่ายมันจะรวมลง เมื่อมั น, นรวมลงสงบแล้วทีนี้เราจะมีฐานของปัญญ า, าเราจะพิจารณาอะไรเห็นว่าอะไรไม่ดีเราก็ตัดได้ถ้าเราไม่มีสมาธินี่เวลาเราเห็นอะไรไม่ดีเราก็หยุดมันไม่ได้เพราะไม่มีแรงแรงหยุดคื อ, คอสมาธิกันเองเพราะเวลาจิตรวมลงเป็นสมาธินี้จิตมันหยุดทํางานเวลาเราอยากจะหยุดทําอะไรที่ไม่ดี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 อย่างที่เมื่อกี้นี้เราฟังแล้วเราเราได้ไดฟังเรื่องปัญญาแนละ้วว่าการใช้เงินแบบฟุ้มเฟือยนี่เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เราถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่ไม่ได้ตอนนี้ฟังก็ฟังได้อยู่พอไปเดินห้างเดี๋ยวมันก็มันก็ อ, อกไม่ได้แต่ถ้าเราันจิตแล้วเราให้สงบได้แนละ้วท้ามลองได้าไม่เอาแล้วของฟุ้มเฟือยทั้งหลาย ไม่ดันเต็มดังนั้นสมาธิจึงเป็นตัวสําคัญในการที่จะสนับสนุนการทํางานของปัญญาไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นปัญญาแบบสัญญารือเป็นแค่ว่ารู้รู้ว่าไม่ดีรู้ว่าเรามีนิสัยไม่ดีชอบบน่นชอบชียจี้ต่ก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแนละ้วเรารู้ว่าเออนี่เรามีนิสัยนี้ไม่ดีนะหยุดได้ ต่อไปจะไม่ชื่อที่จะไม่ช่อหนอนเราทำได้ถ้ามีสมาธิเพราะสมาธิเป็นตัวหยุดตัวที่หยุดดังนั้นอย่าไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะสอนอย่างไรว่าไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิไม่ใช่ปัญญาเลยอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางกรณีในบางครั้งบา ง, ง่างเป็นบางทีเราไม่สามารถที่จะกล่อมจิตให้สงบได้ด้วยพุโทโธ หรืออะไรก็ต่างก็อาจจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันเหมือนที่เมื่อกี้ได้อธิบายในเบื้องต้นไปยุง่งไปวุ่นลอยกับเรื่องอะไรก็พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในเรื่องนั้นแล้วมันก็จะผ่อนวางแล้วมันก็จะสงบตัวลงได้แตสิ่งที่เราต้องการคือต้งการให้มันสงบเป็นที่ให้มันรวมลงให้มันหยุดนิ่งไปเลยไม่มีการคิดการปรุงอะไรต่างๆนั่นคือ สมาธิที่เราต้องการถ้าเราหยุดมันเหมือนถ้าเป็นรถยนต์ครับมันแบบจอดนิ่งสนิทเลยรถไม่ไหลเลยถ้ามันไม่ไหลแล้วต่อไปเวลาเราจะหยุดมันเราก็หยุดมันได้เวลาเราอยากจะทําอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็หยุดมันได้คําว่ารู้ไม่คำว่ารู้ว่ามันไม่ดีนี้ก็คือปัญญา น, นั่นเองถ้าเรายังรู้ว่ามันถ้ายาเรายังไม่รู้ว่ามันไม่ดีเราก็ยังทําอยู่ก็ทำเพราะความหลบ เราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการศึกษาจากผู้อ่นว่าทําอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นเราไปฟังเทศน์ของธรรมคุบ า, าจารย์ท่านก็สอนว่าอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปทำํำเราก็เอามาพยาย า, ามัำข้าสจิตใจเราจะทําจะหยุดได้มากน้อยเทาายงไรจะเลิกได้มากน้อยเทาายงไรก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิที่เรามีถ้าเรามีกําลังสมาธิกันร้อยเราก็สามารถเลิกมันได้เลย ถ้ายัง50 50มันก็ยังเลือกไม่ได้เป็นู้เป็นะฉะนั้นทั้งสมาธิและปัญญามันมีความเกี่ยวดองกันมีความสำคัญถ้ามีแต่สมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ไม่สามารถชำระสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยรู้ว่าอันนี้ก็ไม่ดีรู้ว่าอนนี้ก็ไม่ดี แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็กาจัดมันไม่ได้ทำละมันไม่ได้รู้ว่าโลดไม่ดีรู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ถึงเวลาก็อดที่จะโลดไม่ได้ออกออกที่จะโกรธไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วแล้วรู้ว่าเออไอนี้ไม่ดีนะเลิกได้หยุดได้อันนี้ไม่ดีนะนหยุดได้นนไดังนะนั้นการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามขั้นตามตอน เริ่มต้นไปตั้งแต่ทานขึ้นไปหาศีลไปหาสมาธิหาปัญญาไปสู่วิมตุติทางหลุดทนหลุกท้นจากกิเลสหลุกพ้นจากอุปทานความมั่นถึงมั่นพูดหลุกพ้นจากความหลนทั้งหลายแล้วเราจะสามารถดำเนินตามรอยของครูบาอาจารย์ได้เป็นรอย เกิดขึ้นจากสรัทธาในเริ่มต้นฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอจาเชื่อพระอริยสงสารท่านสอนให้เราทำทานทำไปเถอะไม่ต้องเสียดายทำไปร <c oughs> ักษาศีนก็นกนนนรักษาไปคนมางคนว่ารักษาสินเราไม่รวยไม่เจริญไม่เจริไความรวยไม่ใช่เป็นความเจริญความเจริญอยู่ที่สินคนไม่มีสินจะไปเจริญได้อย่งไรต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐี แต่ถ้าเป็นคนโกหกเป็นคนที่ไม่มีใครเข้าเชื่อถือแล้วมันจะมันจะเป็นเจริญได้อย่างไรคนไม่มีเงินแต่มีสีนีกลับเป็นคนที่เขากราบวหวยบูชาที่เรากราบไหว้พระไม่ใช่กราบเพราะท่านมีเงินทองแจกเรากราบท่านเพราะว่าท่านมีสินจากสินก็ภาวนาพยายามหาที่สงบหาเวลาภาวนาให้มาก แต่จะภาวนาให้มากมันก็ต้องอยู่ในในในเพศอีกแบบถึงจะได้ประโยชน์จรทง่เพราะการภาวนานี่มันหมายถึงว่าการทำงานทางด้านจิตใจล้วนๆไม่ควรที่จะมีภารกิจภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยกเว้นภารกิจที่จำเป็นของพระก็คือการบูรบาปัดกวาดลานวัดน้ำอาบผ้าดูแลรักษาร่างกาย กอดถือสาลากุ ต, ติอะไรท่านนั่นเองตอนนั้นแล้วจะไม่มีภารกิจภารนอกข้อมาทางานภายในนี้มันสําคัญมันลึกเป็นงานลืึกพบลือชาติไม่ใช่งานเล็กๆน้อยๆที่ไหนลึอพบชาติหรือวัฏสงสารทําลายวิชาที่เป็นสงครามอันยั่งยิ่มที่ทเราจะต้องทํากันและไม่มีใครทําแทนเราได้ ไม่มีการทําให้กับเราได้พระพุทธเจ้า ก, ก็ทําให้เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ทําให้เราไม่ได้พ่อแม่ก็ทําให้เราไม่ได้เพื่อนสนิทมิตรสหายก็ทําให้เราไม่ได้มีเราตัวเดียวคนเดียวอัตตาหิอัตโนโนาเถรตอนเป็นที่พึ่งของตอนอยู่ตรงนี้เพก็ฉะนั้นขอให้เราจงปลูกฝังศรัทธาให้มีความแน่วแน่มั่นคง แล้วก็อย่างท้อแท้เวลาท้อแท้ให้เราเล็กถึงพระพุทธเจ้าใเราเล็งถึงพระสงฆ์ า, ารอาะอริยสงฆว่าท่านก็ตะเกียตะกายนมลุกคลุกคานลำบากลำบนทั้งจะผ่านไปได้ไม่มีใครจะผ่านท า, ทางนี้ไปได้ด้วยความสะดวกเรืแบบแบบสบายต้องต้องต้องเหมือนกับ ผ่านเราลกไปถึงจะไปถึงสวรรค์ได้ยังรู้สึกหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดว่านิพพานมันอยู่ฟากตานยนะวัาเราถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงกับเอาชีวิตเข้าไปแล้งมันมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นความลบากลำบูลณิลนนดน้อยๆขณะนี้ไม่ถึงก็ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสียงอย่าอย่าไปกลัวมันการปฏิบัติไปได้มันจะรู้เองว่ามันจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแล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 ไม่ทับมันขวางความสงบของใจเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีแก้เป็นยังไงถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับภาพปฏิบัติถ้าปฏิบัตินี้ท่านต้องผ่านมาเหมือนกันทุกคนเพราะโลกมันโลกเดียวกันยาที่ใช้รักษาก็แบบเดียวกันเพียงแต่จะจะหนักจะเบาอย่างไรของแต่ละคร น, น้นต่างกัน คิดว่าบอกสัมกวนไเ่อง่ะแต่บางครัง้งในศรัทธาเนี่ยบางครั้งมันมีปัญาเหมือนกันปัญาาไปถามจริงเ <c oughs> ชื่อรุ่มเดียวตาบอดคนตาบอดจะไปสงสายคนตาดีเก <c oughs> ินในเบื้องต้นก็ต้องหาคนที่เราเชื่อถือได้จริงๆ <c oughs> ถา้ถาถ้าาไม่ได้ก็ <c oughs> ก็ต้องใช้ปัญญาประกอบไปด้วยปนะรับ เือก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สรงสอนให้เชื่อแบบฟุ้หงุตาเบาไปเลยเ่อก็ต้องมีมีเหตุมีผลอย่างในการลามา่นสุขก็สอนกันว่าไม่ได้เชื่อเพราะเขาเปนอา จ, จารย์ของเราไม่ได้เชื่อเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อเพราะว่าเราสัมผัสแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีเราก็แต่ในเบื้องต้นยต้องเชื่อแบบเราเชื่อหมอ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 ต่อไปหมอจะให้ยานี้มันรับประทานอีงก็ไม่เอาอีกแล้วแต่ถ้ารับประทานแล้วอาการดีขึ้นตามลําดับก็พอยาหมดก็ต้องกลับไปหาหมอข อ, อยามาเพิ่มอั่าใดก็อย่างนี้ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนให้เรา ท, ทาําทานก็ทํำเลยทําไปทไปําด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าทําไปเพื่อหวังผลตอบแทนอย่าว่าทําเพื่อเอาหน้าเอาตา ติดทองหลังพระจะว่าอย่าไปติดทองข้างหน้าพระทําไปเพื่อความความสุขใจไม่ต้องให้ใครเขารู้ว่าเราทําแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราทำคือต้องพิจารณาว่าทําแล้วมันเกิดประโยชน์ด้วยบาง ท, ทีไปทำไปท้างอะไรที่มันไม่มีความจําเป็นไปทําทําไม วัตถุตที่เขาของตมื่อกาลเมื่อกี้มันไม่จําเป็นประหยัดไปทันคนที่เขาอดข้าวจะตายไม่ไม่ไม่ไม่ไปสงสารไม่ไปดูแลเขาจริงอยู่เขาอาจจะเป็นคนไม่ดีกต็ตามแต่ความมนุษยธรรมมันก็ยังมีอยู่แม้แต่ตํารวจเวลาเขาจับผู้ร้ามายิงผู้ร้าบาดเจ็บก็ยังต้องเอาไปรักษาในเมื่อคนที่ก็ยังเดือดร้อนมีอยู่ เราเห็นเขาอดท้าอดอย่างนี้เราลองช่วยเขาดูเลยโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเขาเราจะมีความรู้สึกหิมอบใจขึ้นมาว่าเราได้ช่วยให้เขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อเขามีกําลังบังชาแล้วเขาไปพึ่งตัวเองสมเมลเทมเอาอันนี้ก็ต้องถอนออกไปตามเรื่องของเขาแต่ถ้าทรงการทำไม ไม่มีที่ไปไม่มีข้าวกินก็อาจจะแล้วก็เลี้ยงสุนัขตอนไปนะไ้ไม่ให้ตายทีความระแวงสงสัย่มันก็บัณทอนสถาบันทอนใจเปิบ้าเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นมั่วหรอให้ความสะคงขันมั5 <5 ่นหมายกับเรื่องนั้นมากเกินไปผ่าน ก็เราก็ทําในสิ่งที่เรามีความมั่นใจแล้วกันถ้าพูดอย่างไงกลางในทำทานเนะี่ยเราก็ทํากับในสิ่งที่เรามั่นใจขณะที่เราไม่มั่นใจก็ไม่น่าไปทํามันเพื่อเราจะได้ขยับข้อไปสู่ทําสูงขึ้นไปรู้สื่กับสมาธิอันนี้ไม่ต้องมีไม่จะไม่มีความสงสัยลองรักษาสิ่งไปมันดีเราก็รู้อยู่ว่ามันดีสมาภาวนาะเราก็รู้ว่ามันดีถ้าเราภาวนาได้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 บ่ยครั้งหาคุบาจาคุณาจางก็บอกว่าเราเนี่ยถ้าวัฒนานแล้วก็ทาทานมามากนะภาวนาให้มากมดีกว่าท้าอย่างนั้นาทีเราอดไม่ได้เพราะนิสัยทำทานมันเกิดพัฒนาไม่ใช่อะไรมาก็ทําไไม่ใช่นิสัยทาทานแล้มันขี้เกียจขึ้นภาวนาก็มอันนั้นใช่้ ทานมีไว้เพื่อให้เราเรากําจัดสิ่งที่เรามีเหลืออยู่เกินความจำเป็นแล้วเป็นการเบรกความโลภไม่งั้นเราก็อยากจะหาเงินมาเรื่อยๆเราไม่เคยถามตัวเองหามาทําไมถ้าหามาแล้วก็อาไปทําทานหามาทําไมมันก็วนอยู่นี้ us, mm ่หามาแล้ว hmm. ก็ไปให้เขาหามาแล้วก็ไปให้เขามันก็ไม่ได้ไปไหนทั้งทีที่เราหาความทีดหาเพราะว่าเรา ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงนะท้องเรทีนี้เราอาจจะเป็นคนโชคดีเรื่องมีความสามารถหาได้มากกว่าเกินกว่าที่เราต้องการเราก็เอาไปทำเพิ่มท ำ, ท, ำทานเสียแทนที่จะเอาไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยแทนที่จะใช้สบุ่ก้อนละร้อยก็ยังใช้ก้อนละสิบบาทก็ได้ี้แต่ถ้าเราเกิดหามาได้เยอะเราก็เลยว่าใช้ก้อนละร้อยก็ได้เพราะเรามีเงินอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ทานแล้วมันก็จะมาติดของฟุ่มเฟือย แล้วมันก็จะเงินก็จะไม่ขอใช้มันก็จะไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นสีนึงเพราะว่าการหาเงินนี้ถ้าเราไม่ระวังเราก็อาจจะทำผิดสินได้มีหลายการณีแม้กระทั่งเราเป็นลูกจ้างเขาเราไม่ทำงานตามที่เวลาที่เขาให้เราทำแล้วก็เหมือนกับเรารักทรัพย์เขาละล่ะเ้าให้เราทำงานเราไปอู้เป็น นั่งกินกาแฟไปอ่านหนังสือกินอย่างนี้แล้วก็เท่ากับเราไปรักทรัพย์นะเพราะเงินเดือนที่เขาให้เรามามันใ ห, ให้เป็นค่าแรงแต่เราไม่ได้เอาไปทําตามที่เขาให้เรามา น, นี่ก็เป็นเป็นเป็นการทําให้เราสิน บ, บกพร่องนะทอยแต่ถ้าเราเป็นคนระมัดระวังเราจะเราจะทํางานให้ถูกไม่ให้ผิด ใช่ไแล้วเงินทองที่เราหามาเราจะรู้สึกว่ามันหามาด้วยความลําบากว่าเราต้องทํางานเต็มที่แล้วเวลาเราจะใช้เงินนี้ก็จะใช้ด้วยความระวังแต่ถ้าเราหาเงินมาด้วยความวิธีด้วยวิธีที่มีถูกแต่มันง่ายเราก็จะใช้เหมือนง่ายเพราะฉะนั้นการทําหากินก็เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วก็ มีเหลือก็เอาไปทำบุญทนทานแล้วก็พยายามหาเวลาภาวนาเพราะเมื่อเราภาวนาเริ่มเห็นผลขอมันแล้วเราจะได้เบื่อกับการทํางานทางโลกและเราจะได้สะสมเงินเข้าไว้พอที่จาเป็นต่อการจะสิทับสนุนในการภาวนาเราจะได้มีเวลาบาเพ็ญภาวนาได้อย่างเต็มที่ จะถวายของเลยแม่สัตว์ได้ยังตัวแค่นี้น้องกิตตี้ทำตอนของหลงตาเป็นเรือนมกราทันวาเลยมากรวมทั้งหมด่ะ นี่แหคนลูกสาวผมครับคนที่ชอบเดินสยามพหก้อนครับวันนี้ครับวันนี้โดนเต็มเต็มฮะปูปูปูไปวันนี้ก็ไปแต่สามีฮะสามีจไปเขาบอกว่าถ้าเธอไม่เช่ตอนนี้แล้วอย่างเช่นแก่แลฉันก็เชือนน่อไม่ไหวท่าไม่บอกกันว่า้าไมภาวนาตอนนี้ตอนแก่ก็ภาวนาไม่ไหวโอ้ตร <c oughs> งเตะ <c oughs> น้องที่ไม่เด้นอนกับลูกชายตาถวายด้วยกันแค่นี้ไา้มันนี้กำลังฝนฟังฝนสอนคันถ้าทำดีมันก็ได้ดีเองครับทำไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่าำ ตามแม่มาฟังชันตลอดเแล้วเป็นปัญญาชนเราจะสอบเข้าเอาน็นชันเรายังไม่มีเหตุมีผลยังไปเป็นปัญญาชนได้ยังไง <c oughs> เรายังทำงานอยู่กับเรื่องกายศาสตร์จนะได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวเรา <c oughs> ใช่ไหมเราตั้งใจเรียนมั่งศกหรือปล่าเาตั้งใจเรียนมั่งศึกหรืเาถ้าเราไม่ตั้งใจเราทําไม่ได้มันก็จะไปโทษใครไม่ได้มันก็โทษตัวเราเ จะ ไ, ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญหรอกทีนี้จะได้อย่างนี้ก็ไปเอาเงินแทนก็ได้ อ, <c oughs> อันนี้ทีวกวกว่เขาเกาะข่าวคือไปหยิบไม่ได้นค่ะอันนี้ยาหอมของพี่คนหนึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพอดี เขาฝากเขาฝากไแมาวนะเดี๋ยววไม่ชีวิตเยตายลทยอยทยอยวก่อนตายก็ฝากไว้เยอเลยสิเยราค่อยๆทยอยให้พ่อเนียะาวะริอาสาพรันติสัทวังเอวามวะอิโตินังเตานังอุปิ อิจิตังปะจิตังตุมหังกิต้นวัดสิจตุสัพเพรนตุสังกปะจัโทนะระโสยทาิชตรโยภาสพพิจิววิวัจฉตุสัพโรโคลินาศตมาเตปวัวันตายจุจีทิคารโกคะวะอริวาทะสีลิศะลิจัุทะปัจจายโน จตารโงธรมาวาฐานติายุวันโงสุทังภาลาังได้ขึ้นบรรชัยมามาคนเดียวเลยมาคนเดียวค่ะมาเพื่อนมาเข้าไปดูเซียนไปหาเซียนเลย อาใส่เขมาเข้ามาส่งเดี๋ยวมเามาเาเดี๋ยวจะคุยด้วป่าว่าถ้าจะลงแบงคงล่างนะคือตอนนี้พ่อยู่ข้างล่างแต่ถ้าจะถ้าจะคุยกันเดี๋ยวไปคุยที่คุยตินกันท่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปด้วยกันก็ได้เยี๋ยว่ารอตงไี้ตรงอ่าก็ได้แต่วันนี้ยาจะไม่ต้องไปสมก็ได้ไหค่ะแขกเข้ามาต่อแนวันนี้พูดไม่ไม่นาเท่าไหร่นะก่ ผมไปเถิว่าเอาเอามาดวยนะแตมก็ให้คนอื่นต่อไปหรือยมว่าอาใหม่ปากโยมว้าดีกว่าปางานมาดีกว่าแล้วทอลรรมมาไม่เยอะแล้วไม่เก็บไว้หรอกเพราะเราเก็บไว้เต็มตึกเอามาดึงก็ให้เด็กสาวไปทำทางเข้คุณยากจะให้ทานต่อทำได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตำนะอาจารย์ก็บอกแบบ ใชยงใช่าใช้ได้ใช้กันแต่แก้วผ้าป่าใช้เขาแจกผ้าป่านนีท่านีก่านเท่าน้ใช้แค่สองนี้ใช่เอาฟามันออกรองนี่มันบากว่านี่ไม่หน้นการนความพระวินัยวัดใจตะงจัวได้คือชุดอ๋อไม่มีห้ามเพีงแต่ว่าต้องทาวิกีแ หรือหรยตรีที่ถามว่าเป็นผ้าบริสขคือจะถามว่าเป็นผ่าตายผ้าครองไ่แ้าคลองนี่ผ้ามีได้ทั้งียวมีผ้าตายสามถึงือถ้าสะบองผ้าผ้าจีวนี่ผ้าสะบงแล้วก็ผ้าทันคติกนี่คือผ้ากายจีวรสามถึงนี้ถ้าท่านพระพุทธเจ้าอนุาตให้เป็นสมบัติที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษาทแต่แต่ชิ้นนี่มีอยู่สาชิ้น แต่ถ้าจะมีมากเกิกว่านี้ก็ต้องมีวิธีทําของลักษณะถ้าวัดในเมืองวัดวัวนี่เขาจะทําวิกรรมคาว่าวิกรรมหมายถึงให้ทําเป็นของสองของเป็นสองเจ้าของไม่ได้เป็นของเราคนเดียวเช่นสมมติว่าโยมถวายพระสัรมกติมาให้ใหม่คนหนึ่งแล้วอาตมา ย, ยังอยากจะเก็บไว้ใช้อยู่ต้องไปทําวิกรรมกับพระอีกรูปหนึ่งบอกว่าภ้าพนี้ขอเราแบ่งเป็นเจ้าของกันสองคนแต่ผมจะเก็บไว้ใช้ แต่ถ้าท่านต้องถ้าเกิดท่านมีความจะเป็นต้องการจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เพื่อไม่ให้เป็นสมบัติของตนเองเขาเรียวกวิกรรมการกระทำวิกรรมแต่ทางสายสายพระป่านี่เราจะส า, ายทาพป่านี่ท่านจะอวยอธิษฐานเป็นภาพบริหารเหมือนเป็นภาพบริวารมันจะผ้าผ้าผ้าที่เราใช้ เนี่ยผ้าอังสะไอ้ผ้าผ้าอังสาผาพิน่งผ้าอาบน้ำเราจะเราจะอธิษฐานว่าเป็นผ้าบริหารเป็นเมนก็ไม่จะเป็นผาผ้าผาคองแต่เป็นภ้าคล้ายๆเป็นผ้าบริวานี่ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเป็นภาาที่ท่านถือทุดงอยู่แล้วท่านก็จะถือแค่สามืหรือถือเป็นาบางสุขุลหรือผ้านี่จะต้องเป็นภาาที่เป็นภ้าเราอามาตัดมาเยื้เอง ผ้าที่จขาทิ้งยู่ในป่าแล้วเราไปเอนไปเก็บมาใช้หลายคไม่ไม่ใช้ผ้าที่เขาทำํสำสาเร็จมาถาวายอย่างครูมั่นท่านจะถือถือถือผ้าบางสุกุถ้าโยมจะเย็บผ้าที่วอลสาเร็จมาถาวายท่านด้านสำเร็จไทยท่านจะใช้แต่ผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าไม่เก็บมามาตัดมาเย็บเองอองเี้ไม่นผ้าบางสุกุล ภาพ่พาเรที่นี่ใช้บบหนก็ไที่นี้ก็เขาวิกลับกันไปแล้วแต่หรือใบจาวที่ฐานเป็นผ้าปอนขานก็ได้แล้วแต่เพราะที่นี่มันเป็นลูกครึ่งเป็นผสมกัน <c oughs> วัดบวานก็มีวัดป่าก็มีวนันมาไะไรไปการทาปิ่นทูนเหรอคะปิ่นทุนี่มันเป็นการการทาตำหนิให้รู้ว่าเป็นผ้าของเรา เพราะผ้ามีผ้ามานมีมีผ้าสีเหมือนกันหมดทุกองในเวลาได้ผ้าใหม่มาพรเราจะต้องทํำตาหนิทำสัญลักษณ์ของเราว่านี่้องโดยโดยหลักก็บอกให้ทำสามจุดสามจุดที่มุมผ้าที่การทำสามจุดเนี้แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคเพื่อทำไม่ให้เหมือนคนอื่นก็ถ้าจะด่ดียวกว็ถ้าทาจุดสามจุดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาผ้าหยิบของท่านฝืนไหนของผมฝืนไหนมาดูมันเหมือนกันตำหนิเหมือนกัน ทำลูปกลัดเองไม่ได้นะใช่ไทำแบบอื่นไม่ไดก็พอดีเขาวางรูปแบบฉบับมาอย่างนั้นว่าให้ทำสามจุดก็เลยทำสจุดจะอาจจะมุมพรางมีหลายหลายแห่งใช่ไหมจะอาจจะทำมุมบนมุมล่างมุมกลางอะไรานทำก็ได้ทำแตเด่นัเท่านั้นทำพินทุกับปะเวลาทำแล้วพินทุกับปังคารุมินกับฟงครุมิินทุกับเรทาจะรู้ว่าเป็นผ้าของา ทาเจดนย์แก็ต้องอธิษฐานเป็นผ้าจะใช้เป็นผ้าอะไรถ้าเป็นผ้าบริถานก็เรียกอธิษฐานเป็นผ้าบริถานไปถ้าเป็นผ้าผ้าผ้าคล้องก็ต้องต้องต้องสลักผ้าเก่าถ้าเราอยากจะได้ผ้าได้ผ้าใหม่ผ้าตก่าเราก็ไต้องสลักไปเมื่อเรามีผ้าผ้าครองได้แค่อย่างเราถือนั่นเ้งอันี้เรื่องของผ้าคนที่โยมก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปอาบน้ำตรงกันก็ เดี space, <laughs> like you, ๋ยวว่าคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วเจ้าพอดีญาติมาต่อได้ไหมครับน้องนี่จะเอาปากไปกลับไปได้ไหมเนี่ยเพราะไม่มีผู้เก็บครับ ได้คราบได้จัดแล้วดูเที่ยวนะมาสักมรมาณไม่ง่ายก็เดี๋ยวเราให้เขาเลไปเพราะเราไม่เก็บหรอกจริงจรมันเป็นภาระมากกลัเป็นเป็นไม่น่ากลัวกลับไปแล้วเข้ามาหามาขีดไปขดมาีดแล้กันเนี่ยอได้เพราะว่าใครา็ว่ามันมันเราไม่ไม่อยากจะยุ่งกับของแล้วไม่มีที่เก็บจริงจิมันก็เล็นิดเดียวได้ครับได้รือเอาไปถอยตากไปถวายที่อื่นได้ ไม่ได้ม่ต้องมามีที่ทำเพราะว่าจัดเจ็บหลังแล้วก็ น, นั่นเิดได้นิดนึงก็จะช่วยบรรเทาได้ก็ก็แล้วแต่ถ้าถ้าอยากจะเามานะแต่ที่ว่ า, วามันเป็นภาระมันเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ท้ออาม <When S 3> แล้วตรนนี้หลังดีมากใช่ก็ดีขึ้นตามันะการดื่มื่เมือเื่อราการนหลับมากมีข้กข่าวที่แล้วยที่แล้วเอะ อย่งนก็ฝากที่ไปมแล้วกันนโยมสมสร้างภาระีตลอดเวลาแต่งเวลาไปอารีกายงามเป็นเด็กติงใส่จะใส่ไทยรูเปล่บแม่บัีแม่บัญชี พี่นนี้อยู่เคงสว่างเลยค่ะมีโอกาสมานานนได้ทำให้สีก็เลยทาให้มันตุ้มค่าไปเลยแต่ทำที่ด <st poser> ีควรจะทอย่างสม่ำเสมอไปจะดีกว่าดีกว่าแค่กินข้าวทุวันดีก่าที่นึ่ะข ทาแต่ก็ยังดีแต่ก็ถ้าไม่ได้กินทุกวันถ้าได้กินอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีวำหไม่ได้กินเลยดูกระตั้งใจเยอะแต่ว่าเป็นคืนแบบมานอกสถานที่นี้มีโอกาสอยู่บ้านก็ได้ทําเหมือนกันแต่ว่าทําได้น้อยใช่เพราะมันมีธาวะกิ่นอย่างอื่นในสถานที่มันก็ไม่อมเลย แล้วก็เคยอยู่บ้านมาก่อนนะแต่เราโชคดีตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนี่ก็อยู่มันก็ได้อยู่วัดทันทีก็แต่ว่ายัางเป็นกรรของเราอยู่ว่แล้วมีเรื่องนู่เนเรื่องนี้มามาผกมัดเราอยู่แม่แจ้วบอกเป็นบวกเลยบวงกรได้ยินว่าเได้ยินว่ามีรูปกระอกมาว่าถ้ามทาราขุนทานแปลว่าบวก ก็ตั้งหมดอยู่ไปไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันไปไม่ได้ก็เลยต้องโดดออกไปแลยคือคุณขอบพระคุณทุกอย่าง ใ่ครับทหัวางแท่ดอืนเลยแในวัดเหมือนกันครับท่านมนท่าอาจารย์สใเลยแม่าจาร